กลาญพราท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครางเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาท่านที่สนใจอยากจะเข้ามาก็บินรีต้อนรับวันนี้เราก็เริ่มต้นกับเด็กชายนักคุณก่อน คุณเป็นยังไงครับจอห์นวันนี้แม่ไม่มีคำถามครับไม่มีคําถามเหรือวันนี้แม่พาไปไหนบ้างว่าเปล่าพาไปชายทะเลครับนอาสนุกไหมสนุกครับเจอปลาแห้งอยู่บนน้ําครับปลาแห้งเั็นไงปลาตายเหลยใช่ครับครับ อ, อันนี้นะเอออันปากผไม่มียกชีเจนหายใจครับอืมสึงายอืมอันหนูช่วยมันหรือเปล่านมะ่คุณช่วยมันหรือล่าน้ำมันก็สัดจัดอยู่ครับอืมใช่ไหมใช่ค่ะอืะวมวหไมไม่มีเพื่อนอยู่คนเดียวกับแม่สองคนเหงาไหมต่ อ, อมาะเจ้ใช่ค่ะพระเจ้า ตอนมาที่นี่ตอนมาที่นี่มีคนขับรถมาส่งค่ะไม่เอาธรรมดาหนูมีเพื่อนไหมอยู่อยู่กรุเทพมีเพื่อนเพื่อนไหมหรือ ม, มีเพื่อนที่โรงเรียนอย่างเดียวมีมีครับกลับบ้านก็จะอยู่คนอแมองคนนั่นเลยป่วนอยู่สองคนเนี้ยคะ่ะพระอาจารย์เดี๋ยวจะเอาโ๊กไปกินพรุ่งนี้ครับ เอี๋ยังไม่ได้กินอะกวันนี้เดี๋ยวเพรวมันดูอร่อยครับถึงเก็บไปกินพุ่งนี้อ๋อกินหมดนะกระป่องมาเริ่มเลยนะกระป๋องมาเริ่มเลยกระป๋องมาเริ่มหมดเอนอนั่งดีๆกันถ้าอาจารย์ถามว่ากระป๋องมาเริ่มกินหมดหนอกระป๋องมาเริ่มกินหมดกระป๋องเท่านี้กินหมดกินกระป๋องเท่านี้ก็กินหมดครับเอนานๆกินทีนะตรงนี้นกินบ่อยๆไม่ดีนะไปกินไหมคะ อยากขอแม่ซื้อนะถม่มีใครห้าให้มาก็เอืยมได้ฟังพากย์อาจาร่เค่ะพากย์อาจารย์บอกว่าห้ามขอแม่ๆม่ซื้อนะโอเคมีอะไรไหมไม่ทำชื่อโชคแล้วหรอตรงจะทำป้องแลคุณใจลองคิดดูกันว่าถ้าหน้าคุณรู้หน้าก็จะมาแต่ถ้านน้าคุณ ไม่รู้อย่งก็จะถามอีฟอโอเคงั้นไม่มีอะไรถามนะคะไม่มีครับวันนี้ไยบ้านแหละไดี๋ยวอาจารย์เพิ่งเพิ่งขึ้นมาจากข้างล่างค่ะก็เลยยังอยู่เลยค่ะยังผิดเอะอยู่ไกนจากที่สายบาแล้วหรออยู่ตรงโอเชียนมารีน่าข้างๆง่ายๆกันนะงมายะมาพักสามวันเพิ่งได้ลงไปชายหาดวันนี้ค่ะประชุมทั้งวันเลยค่ะอ๋อ ทำออนไลน์เหรอทำออนไลน์ค่ะพระอาจารย์แล้วให้เขาวิ่งเล่นอยู่ในห้องมีห้องเด็กเล่นก็เลยไปทำงานห้องเด็กเล่นค่ะเขาก็อยู่ทั้งวันเลยอเคเชียนมเ่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปตักบาตรพระอาจารย์ก่อนกลับกรุงเทพค่ะได้โอเนมาักค่ะนั่นเดินจะตัดรถที่ตัวอะไรบาบ้านแกาเจที่แม่กาเจตที่ตอนนี้ถึงอังกินแล้วเหรอ กลับ น, นมัสการพระเจากครับตอนนี้ถึงอังกฤษแล้วครับอย่างตอนนี้ชีโมงเพียงตอนนี้บ่ายสองครับบาา่ายสองโมงครับสองทุ่มหกชั่วโมงนะครับใชครับบปรยากดีใจไม่ได้เท่ากับปู่ย่าครับดีใจมากครับคนปู่กับคนย่า ย, ยังมีชีวิตอยู่ทั้งคู่ครบับปู่เสียไปแล้วครับแต่ย่ายังมีชีวิตอยู่ครับ พั่ญาอยู่ใครนะก็ตอนนี้อยู่ที่บ้านญาติครับใช่ปี่ญาติอยู่คนเดียวหนระือว่ามีลูกหลานอยู่ดนะ้วยอยู่คนเดียวปกติอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวนะทำ อ, อะไรไงานทาอะไรกันบ้างก็เล่นเล่นกับญาติครับอญาติพี่น้องมาเยี่ยมกันนะใช่คร่ะมีกี่คนนะ มีสี่คนครับนนะแต่วันนี้มากแคบแต่วันตอนนี้ที่อยู่บ้านตอนนี้ครับหนึ่งคนครับเป็นลูกของคุณโอรไม่ของคุณอาเป็นของคุณอาครับเอาาผู้หญิงแลืผู้ชายก็อาผู้ชายครับยัยงทํกันบ้านไหวไหมส่งกันบ้านไหวหรเปล่าตองไหวครับ อ๋อยังนั่งตำาที่อยู่ไหมสดสองวันที่ไม่ได้นั่งเลยครับร้องเดินทางนัเหนื่อยนะใช่ค่ะถ้ามีเวลาก็อย่าอย่าอย่าทิ้งนะเดี๋ยวจะมาทําจะยากขึ้นนะค่ะครับทำไม่ได้เต็มที่กัอนอย่างน้อยได้แค่ครึ่งแม่ อ, อยู่นะครับ okay. อย่างว่ามาสองวานบ้านนะเรามีความแก่เป็นธรรมดา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 เราทํากรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทา ย, ยาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรม น, า น, านั้นๆไปเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดตามจริงนะนี่คือความจริงที่พระเจ้าสอนให้พวกเราจดจำเอาไว้ให้ดีแลเราพยายามยอมรับมันนะยอมรับความแก่ความเจ็บความตายในใจเราจะไม่ชวดนะ ใจเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าเราไม่ยอมรับเราจะทุกข์มากนะครับแล้วร่างกายเอานี้เป็นมีอะไรบ้างมีผมขนแล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกย่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังืึกไตปอด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 น้ำเหลืองน้ำเส็ดน้ำดีเย่ในสมองศีสะอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดไตผังผืดตับหัวใจม้ามเยื่อในกระดูกกระดูกเอนเนื้อหนังฟันเล็บขนผมน้างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะใช่ไหมเราไม่ได้อยู่ในร่างกายนี้ใช่ไหม ไม่อยู่ครับบางครั้งเตือนใจนะเราอยู่ครั บ, รบเราอยู่ในพบหนึ่งเราอยู่ในโลกที่เราใช้งางกายเป็นเครื่องมือพาเราไปตามจุางที่ต่างๆครับเวลาล่างกายเป็นอะไรมันไม่ได้เป็นไปกับร่างกายนะครับโอเค มีอะไรจะถามไหมไม่มีแล้วครับคุ่แน่มามำงานอะไร้างค่ารับบาอยู่ครับไม่มีคำถามค่ะโอเคัปกันเที่ยวกันให้สนุกนะไหนไปย่งทีหน่อยจะได้ไม่ขาดทุนเลยอย่าไปอยู่แบบเข่งขืนเลยครับคุณยายที่ ค่ะคนยายที่หน้ากุฏิบอกว่าอะไรนะทําแท้แพ้ตั๋วฟรี <laughs> ยังไงนะเออเราทําเวลาเราปฏิบัติทำอะค่ะแต่พอมีตั๋วฟรีเมื่อไหร่เราก็ยอมแพ้ทุกทีเลยค่ะอ่าฮ่ อ, <laughs> อย่างเรายัางไม่ได้ความสงบไม่ได้ควารสงบมันจะไม่ค่อยอยากจได้เลยค่ะแต่ไม่ได้ความสงบอย่างเดียวเร า, <embrace> าพยายามทํามาเรื่อยๆ น, นะครับ โอเคบายบายเจอกันใหม่เจอกันอต้าขอบคุณาจารย์ครับอ่าน้องตวันต่อน้องตะวันจะไปเยี่ยมสองคนได้ไหมเขาอยู่ใกล้ๆแล้วเนี่ยอยู่ข้างเตียงได้ก็ได้ครับก็ได้เรา้นเดินนัดกันดูว่าจะไปพบกันที่ไหนได้บ้างเอาอ่ะ อืใช่อ๋อไปมีตัไปบ่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ามีตังไปบอของพันขอันนี้พ่อไ ม, ม่มมได้เข้าห้องจูนเยไ ม, ไม่มาวองไม่เห็นพ่อของอาจารย์แต่วันเนี้ยวันนี้เข้ามาเข้ามาทานทานข้าวที่บ้านมมาแล้วก็เลยฝากกาบะ้าจารย์ให้ด้วยค่ะ เ, เพราะว่าเมาื่อวานเขาไม่ได้เข้ามาเพราะว่าเขาเอ่อเหมือนตอนเช้ามีธุระไป ไปที่อสถานีตํารวจค่ะอาจารย์ไปแจ้งความแล้วก็พอดีมันใช้เวลานานนะก็เลยเขาเข้าออฟฟิศช้าก็เลยไม่ไม่สามารถที่จะเข้า zoom พระอาจารย์ได้ก็เลยถามในแต่คิดถึงก็เลยถามอยู่อะไรนะคะพระอาจารย์พี่ถามเพราะคิดถึงอไม่มีอะไรเดี๋ยวจะไปบอกค่าคงจะดีใจว่าพระอาจารย์ฝากความคิดถึงไปโยก็บอกกขาไปว่าวันนั้นที่พระอาจารย์ชมว่าเดี๋ยวนี้ เห็นเขาไม่ค่อยจะถามเขาถามเท่าไหร่ว่าคงคงปฏิบัติดีขึ้นแล้วเขาก็ดีใจว่าโอเคถ้าพระอาจารย์พูดแบบนั้นเขาก็แปลว่าเขาเดินมาถูกทางแล้วใช่ไหมเขาดีใจพูดให้น้อยพูดให้น้อยถามให้น้อยคําตอบในตัวเรายิ้มเหมือนการที่เวลาเราไม่คิดอะไรเด็กมีอะไรไหมอันนี้เรามีต้อถามใช่ไมไม่มีเลย อเ okay. แล้วคุณแม่ล่ะแมมก็ไม่มีอะไรใช่ะอาจารย์ไม่มีนะไม่มีใ ช, ะาาชา่ะโอเคเหมือนกัไปก่อนนะไเถอะค่ะอาจารย์อปที่น้องพียน้องเพียงน้องเียคุณแม่หรือเปล่าอยู่เจ้าค่ะกับมราชการค่ะหพ่ออือพ่อเป็นยังไงบ้างครับเป็นดินไหวไหมคะที่นูน้น เอาไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยไม่รู้ไม่รู้เสร็จอะไรเลยดีค่ะอยู่กรุงเทพก็โหเวียนหัวเลยอืมดีที่วันนั้นอยู่บ้านนะคะไม่ไม่ปกติจะออกไปทานข้าวตอนเช้าข้างนอกแฟนบอกว่าเออวันนี้กินข้าวอยู่ที่บ้านแล้วกันอืก็เลยโชคดีอไม่ไม่งั้นไม่งั้นก็คงจะติดอยู่ในห้างเลยค่ะออกมาไม่ได้ รถไม่ให้เอาออกมาใว่ก็รถติดมากวันนั้นนะใช่โอ้โหน้องสไปรออกจากบริษัทบ่ายสองโมงมาถึงบ้านเกือบหกโมงเย็นนะคะติดมากคนก็เยอะน่าสงสารมากเลยเ็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่เราห้ามไม่ได้อาณาสักใช่ค่ะ อาจจะมีกรรมร่วมกันมานะคะหลวงพ่อก็เลยต้องเป็นแบบนี้อืมมีอะไรไหมวันนี้ไม่มีค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเดินทางไปที่พัทยาแล้วค่ะหลวงพ่ออ๋อค่ะงั้นช่วยค่อยเจอกันนะค่ะหลวงพ่อฮัลโหค่ะมิสการบ๊าป้าอ่าไปด้วยเป็นสารการในในงานบ๊าป้า ไม่มีอะไรคร่ะอาจารย์ความทำค่ะปฏิบัติค่ะโอเคยังไปที่คุณู้จกวันนี้คุณแม่ไม่ได้เข้ามาแล้วอาจารเข้าค่ะพอดีคุณแม่เดินไปในครัวเมื่อสักครู่นี้ค่ะอาจารย์ค่ ะ, ม, คะมีอะไร<อ>ไ<ห>บ้างตอนนี้ก็หนูพยายามนั่งสมาธิให้ได้ทุกวันค่ะพอ พอเริ่มปฏิบัตินั่งสมาธิทุกวันมันเหมือนกับพอพอไปจับพุทโธอย่างที่พระอาจารย์สอนนะคะแล้วมันก็ไปติดดูลมหายใจด้วยมันก็เลยทําให้แน่นตรงตรงช่วงนี้ค่ะพระอาจารย์ต้องต้องทํำยังไงคะเอายังไงอย่างหนึ่ออ ง, ไ, ง ไ, ไม่ได้เลยมันต้องอย่างบางทีมันมันก็เผลอไปดูค่ะก็เผลอแล้วก็เดินกลับมาเนี่ยจะดูจะดูก็ได้ถ้าดูก็ไม่ต้องพุทโธ ฟุทโทรก็ไม่ต้องดูลมลมให้มันมันจะหนักเกินไปเนาะหนักเกินไปค่ะไม่ลองเลือกเอาวิตโธก็ได้ดูลมก็ได้ไม่ต้องลองทั้งสองอย่างค่ะพระอาจารย์หนูกหนูก็พยายามดึงกลับมาฟุตโธแค่มันรู้สึกพอมันแน่นแล้วมันก็รู้สึกไม่ไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่ถ้ามันมี<ใ>นสัญหาก็ลองทำมาส่วนบนก่อนก็นนะ่าส่วในทางนั่งสมาธิแล้วนะไม่ต้องไม่ต้อง เรนลงเวีนตามอนยังนม่พอมันเปลี่ยนเปลี่ยนกรรมฐานการที่จะใช้ลมนัไม่ใช้พุทโธก็ใช้วนลมไปแทอ่ะลองลองปรับดูบางทีเจิบนบางทีมันยังถ้ามันพุ้งมากมันก็มันจะมีกำลังต่อต้านมากมันจะไม่ถึกขนาดที่มันใช้ใช้การวนลมไปกรรมฐานหรือแม่งเอเปิดฟังธรรมะไปก่อนก็ได้ ค่ะเมื่อคืนหนูก็เลยต้องลองแบบฟังฟังธรรมะแล้วก็นั่งนั่งหลับตาแล้วก็ใช้ฟังเสียงเอาอะไรอย่างนี้ค่ะอืมใช่เจ้าจตีแล้วยังมีกําลังน้อยค่ะเราได้ผลไ้มแค่ฟังเทศฟังสารดีขึ้นค่ะดีดีขึ้นอาจารย์อืมอืม แ, แล้วก็รู้จัปรับไหมเพราะว่าเจ้าตีเรามันยังายาอาจจะ ข, ขึ้นลง ค่ะลพราะว่าไปคูลดค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวจะลองไปไปปฏิบัติดูค่ะอ่าพยายามทําให้ต่อเนื่องทําให้ทุกวันแล้วมันจะรู้สึกง่ายขึ้นไปเรื่อยๆพอทำแล้วมันติมันเป็นนิสัยแน่เลยแลมันเกิดความชำนาญมากขึ้นถ้าไม่ทํามันก็จะไม่ทําเลยก็จะพยายามนั่งนั่งทุกคืนแล้วค่ะตอนนี้ต้องเริ่มค่ะถ้าไม่เริ่มมันก็ไม่เริ่ม ถ้ามันเริ่ม แ, แล้วมันก็มันก็จะไปสลงมาได้อ่าโอเคนะ่ะ ไ, ไม่มีเราค่ะอาจารย์ค่ะข อ, อบขอบคุณค่ะขอบคุณแนขอุณดอนทานี้อ้าวแห้งหรือเปล่าไม่นไรภาพนิ่งไปอ่กลับมาแล้ว เปลดย่ยนอีกแล้วค่ะขอโทษค่ะน้องกาลทำมาส ก, การค่ะพอดีสายโทรศัพท์เขาขอโทษเจค่ะลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ ะ, คคะพระอาจารย์นัน่นสมาธิบ้างก็ได้นั่งเจ้าค่ะมีสติ ต, ตลอดเวลาเลยค่ะตอนนี้ต้องนั่งม <laughs> นะเข้ามาในห้องนี้เราทุกคน้องนั่งมาทีิีะเป็นนะค่ะเ <laughs> น้นเสียหมือนนะเ <laughs> จ้าค่ ะ, อะโอเคอะ <laughs> ไอยี้ยเป็นที่ติมา การน็อตและกา อ, ะอาจารย์วันนี้ไม่มีคาถามค่ะค่ะมาฟังทางค่ะโอเคยันสิบเจ็ดเดียวสิบเจ็ดค่ะนี้โอเคงไม่<ะ>ไมกล่าหน้ายังไม่กาหน้ายังอยู่ที่เดิมค่ะอาจารย์โอเคจอจารยคนันนี่ตนะ่อคนซัน น, นี่คนซันนี่แกแปดได้ไหกลับมาเจ็ดแล้วค่ะพระอาจารย์เจ็บเหมือนกันนะค่ะเพราะว่าเกิดอาการกำเริบกระทนหันค่ะปวด ปวดหลังมากค่ะพระ oh. อาจารย์ใช่แล้วก็เออก็ปวดแต่ก่อนมันจะปวดแค่แปดเก้าวันนั้นคือมันปวดสิบเอ็ดเลยค่ะหนูให้สิบเอ็ดเลยแล้วสติสติก็ไม่ทันค่ะคือไม่สามารถแยกกายออกจากวิธนาได้แต่ก็พยายามประคองสติให้รับรู้ตามความเป็นจริงมันมีแบบปวดจนหูอื้อตาผ่าเลยค่ะพระอาจารย์ oh. แล้วเหมือน สติมันกําลังจะดับแต่ก็พยายามฝืนคลองสติไว้อ่ะค่ะแล้วก็ให้คุณแม่พาไปโรงพยาบาลแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่ยังยังยังไม่ได้นอนยังไม่ได้กลับไปนอนพื้นก็กะว่ารอให้ให้ร่างกายมันดีขึ้นกว่านี้อีนิดนึงแล้วก็จยังยังไม่ยอมแพ้ค่ะพระอาจารย์ยังยังจะกลับไปเป็นศีลแปดให้ได้ค่ะแต่ไม่ไม่ได้ใช้ใช้ธรรมโอสุนมารักษาใหญ่ ค่ะตอนตอนช่วงที่ปวดมากๆาก อ, อพยายามคิดแยกแต่ว่าน่าจะสติสติสมาธิไม่ดีค่ะก็เลยทำไม่ได้ได้แต่แบบคองสติไวไม่ให้ไม่ให้แบบสลบไปเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์หมือนร่างกายพยายามร่างกายมันพยายามตัดตัดไม่ให้รู้สึกเจ็บปวดก็คือด้วยการแบบให้สลบไป อ, ไอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เลยพยายามฝืนไว้แต่ก็เออส่วนหลังจากนั้นก็ ก็พยายามพยายามคิดว่าไม่ได้เป็นแต่ไม่ได้เป็นไม่ได้ใจไม่ได้เป็นทุกอะไรค่ะ ก, ก็ก็ปวดก็ปวดแต่ว่าก็พยายามออรักษาก็กินยาแล้วก็พอดีขึ้นก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ทานแล้วค่ะปวดนิดหน่อยก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นไรค่ะลองใช้สติแทนให้ธรามะโอสวยร่างกา่งร่างกนิในในในใน่งร่างายจะไม่ปวด บางที่ปวดบางทียาแค่ปวดก็ไม่จำเป็นค่ะพระอาจารย์ต้องต้องต้องกลับไปเจริญสติให้ให้เยอะเยอะขึ้นค่ะมะเรก็แลาการเจ็บแสลงทุกแล้วก็ใช้พุทโธพุทโธพุทโธท่องไปเรื่อยๆ่ะแต่พยายามให้ดีขึ้นค่คะพระอาจารย์เขเรียกว่าเอาวิติลวเป็นโองค์การวามทุกอาง เป็นแค่วรับสติปัญญาใช่ค่ะแต่รอบนี้แพ้แพ้ค่ะรู้สึกเพราะอสอบครั้งนี้แพ้ไม่เอาเล ย, ยาหาหมออย่างเดียวหาโรเบวาอย่างเดียวใช่ค่ะพราสอบครั้งนี้ไม่คือแบบไม่เคยปวดขนาดนี้มา ก, ก่อนนะคะเลยส ต, ติไม่ทันเลยเราเตือนใจวานี่แหละคือความเจ็บปวดของร่างกายที่เราจะต้องเจอเยอะเล ย, ยค่ะพระอาจารย์ จะยายปมฝึกต่อไปค่ะร่างกาอยู่กับมันได้แล้วจะเราจะอยู่อย่างสบายไม่ทุกข์ทรมานใช่ค่ะพระอาจารย์เคยอ่านหนังสือว่ามีพระพรกรรมฐานนะคะห น, หนูจำชื่อไม่ได้แล้วท่านก็แบบเอ่อถือเนสัตสัญชิกใช่ไหมคะ mm hmm. เอ่ยืนยืนเดินนั่งไม่นอนนะคะแล้วก็ mm hmm. ท่านเหมือนแบบถือถือแบบนี้มาเป็นแบบเป็นสิบปียี่สิบปี แม้กระทั่งตอนที่ท่านแบบกระดูกแตกล้มกระดูกแตกท่านก็ยังยังยังถืออันนี้อยู่ก็เลยคิดว่าแบบเอ่อพลังทางใจนี่มันแบบเป็นธรรมโอสถชั้นดีเลยนะคะใช่ได้แล้วมีสติแร้วมีปัญญาเลยไม่ไคยทุกข์เลยร้อนกับความเจ็บปวดของร่างกายไปพยายามไป เ, เรื่อยๆดีกว่าดีกว่าเาป็ญยาแก้ปวด ครัอ า, าอาจารย์ค่าวหน้าจะจะไม่ไม่เป็นจะไม่โดนนกจะพยายามไม่ให้โดนนกแบบนี้ค่ะโ <c oughs> okay. อเคครับพักขอบคุณครับขอบคุณท่าพร้อมกลับนวัสการพระ อ, อาจารย์ครับเป็นยังไงมีอะไรไหยังไม่มีครับก็มาฟังทเลยครับผม โอเคเดี๋ยวฟังไปต่อนะขอบคุค่คุณพเคหายไปไหนมาหรือเเนี่ยผิดสังเกตน้องกล่าแล้วว่าสกัดให้จานต่ค่ะหายไปเดือนทังเจ้าค้าหายจางหายกางไปไหนนะคะอันต้องเดือนหนึ่งอยนะครับเดยวนจะมีนะไม่ได้เข้ามาเลยจาาใหจแต่ว่ารับฟังผ่านทางข้างนอกก็ค่ะอมีอะไรไหม อันนี้หนูเข้ามา้าแต่เจ้าค่ะพ okay. ระอาจารย์ท้าแต่ในะคหมเาค่ะข้ามารับพลังเจค่ะาิตวัญญานะค่ะโอเคไร่ทีุ่ณิสานุณิสาแล้วเอัานี่เป็นยังไงบ้างอ น, น, นงแบบนวัสการคะ่ะพระอาจารย์มสบายสบายสบายสบายค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ก็พอ แต่ LA นี่กม็มีมีความเสี่ยงเอิร์ธคว k e เหมือนกันนะคะอาจารย์ mm hmm. ค่ะพอลูกเห็นที่กรุงเทพแบบโดนแบบว่า after shock แล้วขนาดนั้นก็เลยเออแบบปกตินี่เมืองไทยจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีเหตุค่ะอาจารย์าารยก็เลยแบบเ อ, อ่ยย้อนกลับมาคิดที่ LA นี่มันมันมีความเสี่ยงค่ะอาจารย์เพราะว่าเหมือนเคยเกิดเอิร์ธคว k e ที่นอตเทรดดะค่ะอาจารย์ ใช่ไหมท่านท่านโยนเป็นอัตชั้ก็เป็นอนาตาค่ะพระอาจารย์ก็ไม่มไรยม่ยังอยู่ไม่กี่ปีเขาเข้าไปนล่วเหรอค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์ปล่อยเข้าไปค่ะพระอาจารย์ไม่ไปเต้นเต้นอย่างคนบ้านเลยปล่อยเขาบานเขาไปค่ะพระอาจารย์คนที่เลือกอย่างแฟนลูกเขาเลือกแต่ลูกไม่ได้เลือกเขาแฟนลูกเขาเลือกเขายัง บนอยู่จนบัดนี้ไม่รู้เรื่องมาได้ยังไง <c oughs> คงคิดว่าแบบมาแล้วจะแบบทําให้หุ้นดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ <c oughs> แต่มันตรงกันข้ามเลยครับแเ <c oughs> ขาคุยแต่ยังไงคี้โมเนยค่ะอาจารย์นักการเมืองในขี้โมค่ะค่ะอาจารย์โอเคช่างวันนะเราก็พยายามประหยัดเปิปปดออมไหมอย่าใช้ฟุ่มเฟือยเราก็จะไม่เดือดร้อนใครจะมาก็คจะไปค่ะอืม มันน้อยสําเดอเนี่ยเป็นสมาธิดีที่สุดดีที่สุดาาค่ะ อ, อาจารย์อย่าฟุ้งเฟ้ออย่าฟุ้งเฟ้ออย่าฟุ้งเฟ้อค่ะไม่เอาไม่เอาเลยค่ะพอาจารย์เอาความสุขจากนั่งสมาธิดีกว่าไม่ต้องเสียตังค่ะพอาจารย์้วนั่งสมาธิได้มีความสุขได้ไม่ต้องไปเที่ยวนอกไม่ต้องซื้อไม่ต้องไปช้อปปิ้งไม่ต้องไปซื้อข้าวซื้อของอะไรค่ะอ่า ค่ะ ข, ของจะขอขึ้นของของจะลงไม่เดือดร้อนไม่ซือ้อค่ะพระอาจารย์ของแพงเป็นไม่มีลงเลยค่ะพระอาจารย์คอ า, า, าน้อมนำคำสั่งอสอนของพระอาจารย์ปฏิบัติค่ะอย่าสาธุคนคุณตายใจคุณตายตาอยัง <c oughs> ไงคุณตายชอบชอชอปปิง้งชอบใช้กันหรือเปล่า น้องกลับนมวสการครับอาจารย์ก็นิดหน่อยตอนนิดหน่อยครับอาจารย์แจะไม่จะว่าไม่ใช้เลยเด็กก็โกก็ยังใช้อยู่ครับอาจารย์อมยังชอบของสวยๆอย่งเงี้อยู่นะครับอาจารย์ยังตัดไม่ขาดค่ะแต่ก็ลดลงไปเยอะแล้วนะคะอาจารย์มาจอนนี้จะเยอะกว่านี้ซื้อของที่จําเป็นนี่ก่อของที่จําเป็นต้องซื้อได้ ของมันจาเป็นก็อย่าไปซื้อมนะอันกำลังดูกระเป๋าอาจ <laughs> <laughs> ารย์กำลังดูกระเป๋าอยู่นะยแต่กระเป๋าก็มีเยอะนะแต่ก็ยังดูคื้อมันได้ไม่กี่วันก็เบื่อแล้วเดี๋ยวอยากซื้อของใหม่มันหลอกเราใจมันหลอกมันกิเลสมันหลอกเราของไนงที่เราไม่มีนีโอ้ยอยากได้ไอ้ของที่เรามีนี่ไม่สนใจไม่แคร์เลยฮนะ ก็แปลกนะคะพ่อจันก็หลอกเราไปเรื่อยๆอแล้วก็หลงทางไปเรื่อยๆ <c oughs> ใช่ค่ะพ่อจันต้องงงกับตัวเองเหมือนกันว่าเออทําไมเป็นอย่างนี้แต่ก็พยายามลดละค่ะพ่อจันก็ลดไปเรื่อยๆเอาดั า, า <valeur S 2> สันดานแ<ด>ล้วก็เงินจ้างเงินซื้อกระเปไ๋าใบใหม่นี่ไปเอาไปทําบุญนั่นดีกว่าแลา<ร>้วจะได้ความสุขมากกว่าจะคะหนูเคยโล่หนูเคยโล่กระเป๋าแบบเอามาเลยใครอยากได้แล้วเข้ามาเอาเลย S <S แล้วพอหนูให้เข้าไปหมดหนูกเ็เริ่มเลือกเสียดายอ้าไม่มีกระเป๋าแล้วอะไรก็้นป้าจันที่เหลยอมันอะไรย้อน <S <S 2> <S 2> หนูได้ปวดปวดหัวเจ้าเองไรค่ะป้าจาันแต่ก็พยายามละคะพยายามอากมาเลยวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะพ่อจาย์ก็เข้ามาฟังทร่มค่ะาีที่ที่บันเทิง แ, แล้วนี้ฝนตกก็แบบ ไม่ตกค่ะอากาศอบอ้าวอย่างเดียวเลยค่ะที่ว้านนี้ตกปอยๆนี่เยโอเคขอบคุณพ่อไว้พาส่วนมืรักษาสีได้ด้นะอย่าเท่าทิ้งนะของดีๆขอคุณค่ะอ่าสัสั่คุณยินดีเชไม่มีอะไรค่ะท่านอาจารย์ชข่ามาร่วมฟังธรรมค่ะท่านอาจารย์ แล้วก็เดวิดไลน์มาบอกเหมือนกันค่ะท่านอาจารย์ว่าพอดีอินเทอร์เน็ตที่บ้านเสียเมื่อวานแล้วก็วันนี้แล้วเพิ่งเพิ่งเพเนี่ยค่ะลูกก็กลัวเหมือนกันเดี๋ยววันนี้จะเข้าสูมไม่ได้สุดท้ายก็เน็ตมาก็โชคดีไปอ่ะค่ะท่านอาจารย์แล้วเขาบอกมาคับอันนี้ต้องขอบคุณด้วยน ะ, ะท่านอาจารย์ขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะโอเคเอไปด้ควคุณหมอทั้งสองท่าน นอนะน่นกับมอนอนต้ากลับนมัสการพระอาจารย์ครับมานมรดการครับพระอาจารย์ครับอืเป็นไงนั่นแต่๋ยวเรนั่งสมาธินะนั่งได้แรงต่อเนื่งไมครับอ่าก็ต้องถามว่าจะเอาไหมอ่ะจะมีพลาดจะมีพลาดไปบางวันครับผมก็ตแต่พยายามพยายามจะไม่ให้ไม่ให้พลาดครับผมครับืถ้ามันพลาดก็ลองใช้ทําชดเชยเลย มีวันอยุดชดเฉยได้แล้วก็นั่งชดเชยได้จริงครับอาจารย์จะได้จะได้จะได้ไม่พลาดบ่อยครับผมเพราะว่าถ้ามันขาดความต่อเนื่องก็รู้สึกเหมือนกันครับว่าจิตใจมันก็จะผุ้งซ่านเยอะครับอด้ครับถ้าต่อเนื่องมวมันก็จะทําง่ายด้วยอทิ้งไปแล้วกลับมาทําใหม่มันก็ยากค่ับใช่ค่ะผมหนูก็อาทิตย์ที่เราก็พลาดไปหนึ่งวันเหมือนกันค่ะ ที่ผ่านมาก็พยายามนั่งให้ได้อย่างน้อยวลาสามสิบนาทีค่ะแล้วก็วันแผ่นินไหวก็พลาดไปไม่ได้ทำปกติจะมาชดเชยกลางคืนวันนั้นก็คุงสั้นเยอะก็ไม่ก็เลยไม่ได้ทำค่ะเริ่มต้นใหม่ค่ะนั้นติดตามข่าวเล <ใจ S 1> ยใช่ประมาณนั้นอาจจะติดตามข่าวครับแล้วที่ผู้ชมวันนีมีมีผลกระทบไหมคือไม่ ไม่ไม่รู้สึกอะค่ะหนูอยู่ชั้นเจ็ดอะค่ะตอนนั้นก็<ม>ก็ไม่รู้สึกแต่ว่ามีมีคนที่อยู่ชั้นสิบอย่างเงี้ยเขาเขารู้สึกค่ะอาจารย์ว่าจะคงคงนิดนึงอ่างเงี้ยค่ะแต่ไม่มากนะเพาชั้นเจ็ดไม่ไม่รู้สึกกังวลยังไม่รูนแรงใช่ค่ะก็นั่งคอนเฟลเลนต์ประชุมก็ยังแบบดิสคัตอะไรกันได้ปกติค่ะ<ม>ก็<ม>ก็ตอนนี้ก็พยายามไม่ไม่ประมาาค่ะรู้สึก<ม>แบบสัมผัสระหนัดได้ว่าแบบ ชีวิตมันเป็นของแบบมีมอายุอ่พยายามเตรียมตัวเตรียมใจว่าการกายขึ้นได้ทุกเวลานาทีนะค่ะพระอาจารย์ประมาณแล้วเราจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนก็ได้การกายขึ้นคมาคเราไม่ได้เป็นั่างกายไม่เราไปเสียดายไม่เราไปกลัวเราเพืใจลองรักษาให้มันสงบเท่านั้นแนหะพอครับเราจะทํำอย่างที่พระอาจารย์สอนก็ช่วงที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงก็จะ พยายามทำใช้ชีวิตให้ให้คุ้มค่าแบบฝึกเจริญสติทำเก็บเกี่ยวตรงนี้เอาไว้ค่ะปัญญสติก่อยก็ค่มใจค่อยค่อยก็ข่มอารมณ์ไว้ด้วยสติด้วยปัญญาเนี่ยค่ะได้จะได้มีบุญได้มีปัญญาบ้างในชาตินี้ค่ะพระอาจารย์ก็เนี่ยก็ได้แล้วเนี่ยเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วเนี่ยค่ะพระอานนจารย์เห็นอะไรชัดชัดเจนนะอื็นทุเห็นทุก ข, ขัข้างเมื่อย เห็นครับผมก็เวลาทํางานก็เห็นครับว่ามันร่างกายมันเป็นทุกข์มากครับบางทีคนไข้ที่เราแบบแบบเจ็บไข้ได้ป่วยนะบางคนก็บางทียังยังไม่ได้อายุมากนักเนี่ยครับก็มีความทุกข์เยอะมากเห็นบาดีก็ก็รู้สึกแบบปัญหาว่าเดี๋ยววันหนึ่งข้างหน้าเราก็เป็นเหมือนกันครับบางทีก็ยังไม่ได้แก่ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้เงนี้ยะแล้ววันที่ร่างกายแบบฟังก์ชันไม่ได้ก็ หมดโอกาสแล้วอย่างเงี้ยค่ะนั่นเด็กทารกเกิดมาได้ไม่กี่เดือนก็ต้องผ่าตัดหัวใจเขามครับมีมีมองก็ผ่าตัดหัวใจให้เด็กแล้วก็นำสมมาทําบุญให้ใอุชิศเจ้ากรรมเราเองนให้กับเจ้ากรรมในเรืของเด็กอืมอครับไม่กี่เดือนแต่เป็นโรคหัวใจอืมค่ะน่สงสารน่าสงส น, นเกิดขึ้นไงได้ทุกเพศทุกวยัยทุกเวลา ใช่ค่ะนี้นอย่าไปยืดไปติดกับร่างกายนี้เป็นอันขาดครับ น, น, นะบไม่ใช่ของเราเป็นของยืมมาพราแให้เรายืมมาชัว่วคร <centres S 2> าว๋ยวเราก็ต้ อ, อมมง ค, คืนคืนคืนเจ้า ข, ของเดิมคืนดินน้ำลมไปครัพระอาจารย์พ่อแม่ก็จะคิดตามแล้วก็เจริญสติคิดตามตามที่พระอาจารย์สอนค่ะนี่ ที่บ่อยๆทินเ้ื่อยๆแล้วมันจะมันจะเข้าใจแล้วกขมันก็จะปล่อยวางโอเคนะค่ะอาจารย์จะปฏิบัติต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวมารายงานอาทิตย์หน้าค่ะพระอาจารย์ค่ะกลับค่ะขอบค่อปูเป้ปูเป้นี่ร่างกายก็ผ่านมาลายผลเลยกลับนมัสการเจ้าขาพระอาจารย์ ก็ยินหนูเมตต์เจ้าค่ะย่าชัดเจนเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เพาหนูก็อยู่กรุงเทพค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยโอ้หนูตอนนั้นหนูก็เป็นโรคเกี่ยวกับสมองพอดีค่ะพระอาจารย์ตอนที่เกิดนะคะแล้วหนูเดินเซหนูก็เลยนึกว่าเฮ้ยเกี่ยวกับโลกที่หนูเป็นหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยตอนแรกหนูก็อ่านั้นไปพิงผนังอ่าอาคารนะคะพระอาจารย์เอ้า ตัวอาหารก็สั่นนะคะพระอาจารย์หนูก็เลยว่าเฮ้ยสรุปว่าเป็นโรคหรือเปล่ายังยังสงสัยตัวเองอยู่คะ่ะพระอาจารย์หนูก็เลยจับตัวเองนั่งนะคะแบบพิ จ, พจรารณาอย่างมีสติโอ่น่าจะเราต้องควบคุมตัวเองให้อยู่อย่างเงี้คยค่ะพระอาจารย์อยู่ดีๆมีเจ้าหน้าที่เดินออกรีบออกมาจากอาคารบอกว่าแผ่นดินไหวหนูก็เลยแบบเฮ้ยไม่ได้เกี่ยวกับโรคอย่างเงี้คยค่ะพระอาจารย์ก็เลยไปหาอยู่ข้างนอกตึกเลยคะ่ะพระอาจารย์ก็เลย อ๋อมันไม่ได้เกี่ยวกับโรคตัวหนูเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยได้นูยู่ชั้นสองค่าอยู่ส่งกิจการกำลังจะไปชั้นสองค่ะพระอาจารย์อยู่ชั้นจักค่ะพระอาจารย์ชั้นหนึ่งก่อนจะกําลังขึ้นบันไดพอดีค่ะพระอาจารย์แล้วอยู่ดีๆก็เดินเซแล้วก็เลยว่าอ๊้เลยแบบนึกว่าเป็นโรคเกี่ยวกับสมองค่ะพระอาจารย์ก็เลยได้ก้าวเท้าได้เร็วออกจากอาคารได้ไวอ่ะค่ะพระอาจารย์ตื่นเต้นไหย โอ้หนูไม่ค่อยตื่นเต้นนะคะหนูนึกว่าหนูหนูนึก ว, ว่าหนูจะเป็นโรคเกี่ยวกับสมองค่ะพระอาจารย์ก็แต่ว่ามันก็เลยแบบไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์มาดูบ่อน้ําข้างนอกมันเคลื่อนไหวอ่ะค่ะแรงอยู่ค่ะพระอาจารย์เพิ่งเคยเจอค่ะพระอาจารย์เป็นเป็นประวัติการของประเทศไทยเลยก็วได้เจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าส่วนใหญ่หนูตามแค่แบบ หลายจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะต่างจังหวัดไม่คิดว่ากรุงเทพจะมาเกิดอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. พอเกิดจริงๆโอ้โหแบบแรงจริงๆเจ้าขาพระอาจารย์ mm hmm. ตอนกลับบ้านนี้แทบจะไม่มีรถกลับบ้านเลยค่ะคนเต็มถนนเลยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ตอนเดย์ที่ส่วในใหญก็ยังตั้งอยู่ได้เจ้าขาพระอาจารย์หนูก็เลยเห็นบางคนคือต้องไปลงทางหนีไฟเลยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. แต่ว่า เวลาแผ่นดินไหวเขาไม่ค่อยได้ให้ลงทางนี้ไฟกั น, นเจ้าคะ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนจุดไหนยังไงอ่าเงี้ยค่ะความพร้อมอย่างเงี้ยคะ่ะเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างเงี้คยค่ะเกี่ยวกับแผ่นดินไหวเพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นนะคะอาจารย์โอเคมีอะไรไหมไม่ห น, นีแล้วคะ่ะได้ประสบการณ์คะ่ะบุทดสอบเอาม า, าสอนใจเนาะเนี่ย อ, อันจริงจังทุกข์ขันั้นตาเป็นอย่างนี้แล้ว เจ้าค่ะพระจาร์เจ้าขาเรายาาาอมรับมนนิจังยามรับมันนั่นตาก็ไม่ทุกถ้าไม่อยอมรับก็จะถุกเจ้าคขาพระจาร์ารไปที่คุณฝนตอ่อันนี้น้องติมไปแล้วเลย ก, การมาสการค่ะพระจารย์ไปแล้วเจ้าค่ะพระจารย์ไปตั้งแต่เมื่อเมื่อวันอาทิตย์เจ้าขาเราไปเองเไม่เราต้องไปส่ง อ่าเข้าไปเองกับกลุ่มอ่าที่เป็นกรุ่มเล็กๆ น, นคะคะประมาณหกเจ็ดคนเข้าไปเองค่ะกับโทรกลับมาร้องไห้ทุกวันเลยวอนนี้ไม่ไปดีกว่าโดดเด่นว่าจะไม่ไปโดนคุณพ่อเอ็ดเลยค่ะ <laughs> ไปปรับตัวแต่ว่าเขาบอกเมื่อวานเขาเริ่มปรับตัวได้แล้ว จ, าจา้ะค่ะผู้จัดก็ก็ก็โอเคแต่ว่าเดืันนี้ยังลุ้นอยู่ว่าจะโทรกลับมาร้องไห้หรือเปล่า คือมีปัญหาแค่ตอนนอนเท่านั้นแหละค่ะพระอาจารย์เพราะว่า mm hmm. ติดนอนกับคุณแม่ค่ะ mm hmm. วันนี้หนูก็ลอยอังคารงานของคุณพ่อเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็ mm hmm. ชาปนกิจเมื่อวานแล้วเมื่อเช้าก็ลอยอังคารเชิญป้ายทำเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยค่ะพระอาจารย์ก mm hmm. ็ทำหน้าที่ของเราไป mm hmm. ค่ะทุกอย่างโอเคคือระหว่างนั้นก็เอาคุณพ่อเป็นเป็นครูค่ะ ในเรื่องของการดูว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องไปเป็นเหมือนท่านเหมือนกันก็เลยเข้าใจนะคะพระอาจารย์ว่าวันหนึ่งเราต้องไปนอนอยู่ในโรงตรงนั้นเหมือนกันแล้วก็แล้วก็เป็นเหมือนที่พระอาจารย์บอกเลยว่าเดี๋ยวจะไปร้องอีกทีก็วันวันเผา ก, ผาก็ก็นิดหนึ่งนะคะพระอาจารย์แต่ว่าแต่สุดท้าย ก, ก็ผ่านมาได้นะคะแล้วก็วันนี้ปึ้งปิติที่รู้สึกว่าได้ทำหน้าที่ลูกคอม p ล e ทแล้วอะค่ะ จ, จนจบนะคะพระอาจารย์ ตอนนี้ถ้าอยากจะทาบุญก็ส่งบุญไปให้ท่ได้นะคะ <c oughs> ก็ทำทาตลอดทำทุกวันนะคะ<ม>พระอาจารย์พยายามทำอย่างสม่าเสมอมแล้วก็ส่งให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยอะคะ่ะพะอาจารย์ได้ได้ได้ได้พอดีตลอดทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมาตลอดทั้งเดือนด้วยเหมือนกับอยู่กับ ความตายกับคนที่เข้าใกล้ความตายกับคนที่เสียชีวิตนะคะพอดีตอนเกิด uh, ake, อ่อินซิเดนต์ที่เออก็เลยไม่ได้ไม่ได้วิ่งหนีเลยค่ะพระอาจารย์พอรูปุ๊บนั่งภาวนาพุโทโธแล้วก็สงบนิ่งเลยอะค่ะพระอาจารย์อยู่ไ<ม>ชไหนอยู่ชั้นไหนอยู่อยู่กับพื้นดินค่ะพระอาจารย์จริงๆ จริงๆปกติทํางานอยู่ชั้นสาสิบสี่อันนั้นจะต้องวิ่งลงมาสามสิบสี่ชั้น<ม>แต่ว่าพอดีวันนั้นอยู่อยู่ที่วัดแล้วก็รู้สึกเยอะเลยค่ะ<ม>บนบนพื้นดินนี้รู้สึกเยอะค<ม>่ะพระอาจารย์โชคดีนะถ้าอยู่ชั้นสูงสูงนี้ต้องวิ่งลงมาเนี่ยเหนื่อยนะสามสิบสี่มันก็คืออาจจะ ก, การจราจรติดขัดด้วยค่ะคนที่อ<ม>อฟฟิศเล่าบอกโหสาหายเอ า, เอา เ, อาเอาเรื่องเหมือนกันค่ะคนเยอะมากค่<ม>ะแต่หนูบนพื้นดินหนูก็เลยแบบมันมันค่อนข้างจะรู้สึกเยอะค่ะพะอาจารย์แล้วก็แต่ว่าก็ แต่ตอนรู้ก็ไม่วิ่งนะคะนั่งเลยค่ะนั่งแล้วก็ภาวนาเลยพุดโทแล้วก็ฝึกสติเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็อืมเหมือนว่าเออถ้ามันเกิดอะไรขึ้นไปมากกว่านี้ก็ก็ไม่รู้ต้องทำย<ม>ังไงทำอะไรไม่ได้ค่ะทำอะไรไม่ได้ก็นั่ง <c oughs> อย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้นึกถึงลูกด้วยตอนนั้นคือรู้อย่างเดียวว่าตอนนี้แบบต้องสงบนิ่งอย่างเดียวค่ะพระอาจารย์ไม่ได้ไม่ทำใจจะใช่อาจจะช่วงเวลาทําใจด้วยว่าเออแบบ ถ้าตื่นข้างๆมันถล่มมาทับก็มันไม่รู้จะทำยังไงค่ะก็นั่งนิ่งๆไปแล้วกันไม่วิ่งด้วยนะคะไม่วิ่งไม่ไม่ไม่อะไรทั้งนั้นนะคะนั่งนิ่งๆอย่างเดียวค่ะพระอาจารย์ก็รู้สึกเป็นผลที่เกิดจากการได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมช่วยอะไรเยอะช่วยช่วยมากค่ะเพราะครั้งที่เราเคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้แบบอันนั้นตื่นโจรนกค่ะมีคนเสียงร้องตื่นตระหนกแล้วก็วิ่งไม่มีสติเราพระอาจารย์บอกว่าเป็นว้วนไม่มีสติ ตอนนั้นวิ่งแบบแบบขาวคุิดเลยค่ะแผลเต็มตัวเลยแผลเต็มตัวหมดใช่ค่ะรอบที่แล้วที่ไปนั่งสมาธิเรามีคนร้องกรี๊ดขึ้นมาหนี่งแล้วเหมือนเสียงเหมือนดินถลม่มเหมือนเอิร์ธควดีดินถล่มเลยแล้วก็วิ่งแบบไม่คุยชีวิตไม่มองอะไรเลยะสรุปไม่มีอะไรเลยแล้วแต่พอมารอบเนี้ยเจอของจริงก็กลับนั่งเฉยๆค่ะนั่งเฉยๆเลยนั่ง น, นั่งนั่งเลยแล้วก็แบบภาวนาพุทโธแล้วก็เออมันมันทำอะไรไม่ได้ก็ก็ ไม่รู้จะทำยังไงค่ะก็อยู่นิ่งๆดีกว่าเลยพอดีเรามีงานคุณพ่ออยู่ด้วยมันีก็ให้เราเห็นความตายเรื่อยๆค่ะใช่ค่ะอาจารย์ก็ก็ทุกวันเห็นนะะแล้วก็เราก็คิดทุกวันว่าเออแบบคือวันหนึ่งเราต้องไปนอนอยู่ตรงนั้นมันหนีไม่พ้นนะคะก็ไม่ไม่รู้จะเศร้าทําไมเพราะว่าถ้าเกิดที่ผ่านมาเราก็ทําหน้าที่ได้ทุกอย่างแล้วเราก็เราก็บอกตัวเองว่าสิ่งที่มันเผาไปมันก็คือ ร่างที่เหมือนพระอาจารย์บอกอาทิตย์ที่แล้วว่าเหมือนตุ๊กตาค่ะเป็นดินน้ําลงไฟเป็นท่าสีลดินน้ําองไฟแล้วก็ตอนไปเก็บกระดูกก็ก็อืมัน ก, ก็เป็นถถท่าดินท่าดินใช่เลยแต่าท่าดินแล้วก็ไปลอยก็บอกว่ากลับคืนสู่ธรรมชาติอะไรแบบเนี้ค่ะคือเราก็มีน้ําตาซึมคือมันปิติอะค่ะที่เรารู้สึกว่าเราได้ทําทุกอย่างส่งเรียบร้อยแล้วในแบบอย่างนี้วันนี้ก็ ก็โอเคก็รู้สึกว่าจะได้กลับมาโฟกัสกับเรื่องที่ต้องทำต่อค่ะก็ก็จะได้มีเวลาเต็มที่กับการเราลูกไม่อยู่ด้วยค่ะก็ไม่มีใครกวนก็รู้สึกว่าเออจะได้มีเวลาตอนกลางคืนก็นั่งสมาธิได้ทำอะไรได้สงบมาหาพระอานารย์พยายามห <c oughs> าเวลามาให้ของการปฏิบัติได้มากที่สุดเท่าที่จะว่างได้ค่ะ <c oughs> ค่ะก็เทอริเมะเขาก็ได้นั่งไปแค่ขาดไม่ไม่ไม่เท่าไหร่อ่ะค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนั่งอาจจะมันมันอยู่กับความตายก็เลยรู้สึกโอเคนั่งแล้วก็รู้สึกนิ่งนิ่งดีค่ะแบบสบายสบายดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลับเรียนพระอาจารย์เท่านี้นะเจ้าค่ะอ่าได้แลับกลาวขอบพระคุณเจ้าค่ะอ่าคุณมชุบโอเบยอยู่ที่ญี่ปุ่นเจอแผ่นดินไว้อยู่เรื่อยๆไม่ใช่เหรอมาวสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ จะบ่อยเจ้าค่ะคระอาจารย์ปีนีไม่เจอสักก่คปีนี้ปีนี้ยังยังไม่ยังไม่เกิดขึ้นค่ะแถวบ้านหมดธรรมดาปีปีที่แล้เกิดึ้นเมืเ่อปล่าปีที่เราก็มีบ้างค่ะเป็นเหมือนกับว่าจุดเกิดที่จุดอื่นแล้วก็มันก็สั่นมันก็ลา ม, มาถึงที่นี่ค่ะมันมันก็รู้สึกได้อย่างเงี้ยค่ะแต่คนที่ปุ่นก็ไม่ไม่เดือดร้อนกันใช่เฉยเฉเฉยเฉยค่ะพระอาจารย์ ก็แผ่นดินไหวแค่เนี้ค่ะแล้วก็มีวิ่งเขามีมาตรการสอนให้คนปฏิบัติใช่ไหมเวลาเกิดแผ่นดินไหวคือทุกคนต้องเรียนรู้ถ้าตั้งแต่เด็กเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์อมีแบบคือว่าจะต้องทํายังไงอะไรยังไงเ่ยเจ้าค่ะก็คนญี่ปุ่นเขามั่นใจมั้งคะเพราะว่าตึกบ้านช่องของเขานี่เขาสร้างมาเพื่อรองรับแผ่นดินไหวค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์อืมอืมก็ดี ก็วันนี้หนูก็ไม่มีคําถามเจค่ะพระอาจารย์มาฟังธรรมเจา้าค่ะนี่ยังปฏิบททัติธรรมเยอะวะปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์อืมโอเคถ้อย่นั้นไม่มีอะไรก็ไปก่อนนะค่ะกลับขอบคุณค่ ะ, ะคุณอุษาเวลาที่ว่าอันนี้ลูกสาวไม่อยู่การครับพระอาจารย์ลูกลูกเข้าไปในห้องแล้วตาม เป็นหอละค่ะอาจารย์โยมไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์มาฟังทำค่ะย ท, ที่ปากใต้ด้ได้รับผลกระทบ่ยว่าไม่ถึงค่ะอาจารย์ไม่ถึงเลค<า>่ะไม่มีค่ะใชลูกมายันออกมาแล้วอมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะพระอาจารย์เป็นยังไงบ้างอาการเจ็บไข้ได้ป่วยรีขึ้นไหมอ่ค ดีขึ days, ้นเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ค่ะแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอรเซ็นต์ค่ะคุณหมอให้พักเพื่นประมาณสี่วันค่ะก็น่าจะช่วงหลังสงกรานนะคะถึงจะับครุะเสียงอะไรเสียงทีวีและเสียงคนงพ่อเขาเปิดดูบอลค่ะอาจารย์โอเคมีอะไรมั้ย ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ก็รรักษากายรักษาใจไปควบคู่กันนะใจก็ต้องไม่วุ่นวายไม่ต้องไปเดือดร้อนกับมันกายก็ดูแลมันให้ดีขอโทษได้ค่ะเสียงทีวีโอเคไม่เวลานี้ไปก่อนนะ้วอ๋ัพิการค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณค่ะไปได้คุณยายกับน้องสันโดษ แตราชการครับพระอาจารย์ยงไงอยู่ชั้นไหนที่ที่ที่ห้องเทมบ้านอยู่ชั้นไหนอ๋อบ้านผมเป็นบ้านสามชั้นครับพระอาจารย์แต่ตอนเกิดเหตุคุณยายอยู่บ้านผมอยู่โรงเรียนผมอยู่ชั้นห้าครับพระอาจารย์ชั้นอยู่สองคุณยายอยู่ชั้นสองครับพระอาจารย์เออล้วได้สัมผัสไหมสัมสัมผัสเต็มเต็มครับพระอาจารย์แต่ว่า ผมก็ไม่คิดว่าเป็นแผ่นดินไหวคือไม่เคยคิดว่าแผ่นดินไหวมันมีอยู่กรุงเทพด้วยผมนึกว่าผมแบบมึนหัวนอนไม่พออะไรอย่างเงืแแ่แล้วคนในชั้นด้วยกันไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยพอทุกคนก็เห็นว่าเออแบบมันทุกคนเป็นกันหมดเลยรู้แล้วว่าน่าจะไม่ใช่น่าจะเป็นแบบภายนอกคือตอนแรกก็ไม่คิดด้วยครับอาจารย์ว่าเอแผ่นดินไหวตอนแรกคิดว่าตึกผมอะ่ะ เป็นตึกเดียวที่มีปัญหาอก็เลยวิ่งปรูกันลงมาจากตึกก็ผมก็ไม่รู้เรื่องวิ่งงงๆแต่ก็รู้แล้วมีบางอย่างผิดปกติพอลงมาจากตึกเสร็จปุ๊บเห็นตึกอ่ข้างๆครับอ า, า, าจารย์สาดน้ําของตึกเขาน้ามันกระชอ่อมก็เลยรู้ว่าเอาไม่ใช่แล้วเป็นดินไหวแล้ว อ, อยาอกตรวจแจ้งแล้วเป็นัไไงไง จ, จ, จิตใจวุ่นวายไหมเดินตะนงไหม อาจารย์น่าจริงๆออกไปทางตื่นเต้นอาจารย์แต่ว่าช่วงแรกนะฮะถ้าถ้าแบบตอนตอนแรกๆที่พอรู้ว่าเกิดอ่าไม่ไม่ได้ตื่นกลัวไม่ได้ตื่นตนกอะไรเพราะว่าไม่เคยคิดนะอาจารย์ไม่ไม่เคยคิดว่าจะมีแผ่นดิลบายเกิดขึ้นอ่าไม่ไม่ไม่ได้คิดไว้เลยครับผมอาจารย์ก็เลยไม่ไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรพอรู้เข้าอะไรมากลัวทีหลัง ก็มีครับอาจารย์มีกลัวแต่ว่าไอ้กลัวของเรามันไม่ได้กลัวเราเป็นไรแต่กลัวว่าคุณแม่เพราะว่าคุณแม่ก็ทำงานอยู่ตึกใกล้ๆก็ <Bul. S 2> กลัวว่าก็โทรไปเช็คว่าคุณแม่ออกมาจากตึกหรือ ย, อยังว่าคุณแม่ออกมาผมก็ไม่ได้อะไรละผมก็นั่งของผมอยู่กลางสนามพุทธครับอาจาย์แล้ว ไ, ไม่ไม่ไม่โทรมาเช็กปรญายาด้วย เช็คแล้วครับเช็คแล้วใครก็ใครก็อยู่เข้าเข้าเข้าข้างบนนะคะล้าเท้าไปล้างขาเนี่ยค่ะแล้ดัก็ตกลงไปข้างนี้ตกไปข้างนี้ถามว่าเอ๊ะทำไมถึงว่ามันเป็นอะไรกันจะตกแต่แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไดไม่ได้รู้เรื่องนะคะ ไปจบใจผมตอนนั้นโทรมาโทรหาคุณแม่เสร็จโทรหาพ่อต่อว่าที่บ้านโดนไหมคุณพ่อบอกโดนนะแต่พ่อไม่รู้เรื่องพ่ออยู่ห้างคุณยายอยู่บ้านผมก็เลยต้องโทรศัพท์เข้ามาที่บ้านต่ออาจารย์ ม, มุ้งไหลอยู่บ้านคนเดียวแล้วคนอีกคนมันก็อยู่ข้างนอกทำมาหาอยู่ย่างปอาจารย์ก็ คิดถึงพระจานทร์มากไ ม, ไม่ได้เข้ามาหลายอาทิตย์ตั้งแต่ก่อนหน้าอาทิตย์ก่อนนู้นนะฮะก็ไม่สบายก็ไม่กล้ามาเข้าซูมพราอมคุณยายออต่อมาก็มีแผ่นดินไหวอีกแยาวมาเรื่อยๆเลยวันนี้จริงๆวันนี้ก็กลับบ้านดึกด้วยแต่ว่าก็บอกคุณยายบอกไม่ต้องกังวลวันนี้ต้องเข้าแล้วแหละ <c oughs> อย่าพระจานร์สงสัยหายไปไหนไม่สงสัยไม่คิดถึงเลยไม่รู้เลย ยายก็อยู่บ้านเหมือนเดิมค่ะก็นำหน้าที่ไปปฏิบัติทำไปนะโอเคมีอะไรไหมไม่มีครับอาจารรากาศแบบนค่ะเอาเหตุการณ์นี้มาสอนใจนะว่าเราอยู่ในโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอนนะโอเคไปริุณมารี่อ มาอยู่อยู่ตึกชั้นไหนตอนที่เกิดเหตุการณ์าหลวงพ่อค่ะวันนี้ไม่ได้ไม่ได้อยู่วัดท่ากาค่ะหลวงพ่อกลับมาที่บางบัวทองค่ะเพราะว่าตอนตอนที่เกิดเหตุนะคะอยู่ที่ออฟฟิศอยู่ชั้นเจ้าค่ะหลวงพ่ อ, อนั่งนั่งคุยโทรศัพท์กับ พี่ที่เขาก็เสียงานไปแล้วค่ะ ก, ก็เกิดแต่คิดว่าตัวเองป่วยว่าว่าเป็นโรคไขมันขึ้นอะไรเนี้ยค่ะหลวงพ่อเสร็จก็นั่งนั่งไปเรื่อยๆค่ะก็เกิดความแรงก็จะเพิ่มขึ้นอีกค่ะก็ยังนั่งเฉยอยู่ค่ะหลวงพ่อแล้วพอครั้งที่สามก็รู้แล้วว่าวัาตึกสั่นมากเงี้ยค่ะหลวงพ่อก็เลยบอกพี่เขาว่างั้นแค่นี้ก่อนนะแผ่นดินไหว แผ่นดินไหวก็บอกแล้วก็หยิบกระเป๋าเดินออกไปเฉยๆอ่ะคะ่ะหลวงพ่อแต่ว่าคนอื่นเขายังไม่รู้แต่หนูเดินเดินออกไปด้วยความที่มีสติอะคะ่ะหลวงพ่อแล้วก็ไปบอกคนที่เขาตกใจไม่ให้เขาเข้าไปในลิฟต์อะคะ่ะหลวงพ่อเดินลงไปเรื่อยๆเดินเดินจงไวจนถึงชั้นหนึ่งะคะ่ะแล้วก็เขาก็จะไล่พนัก ง, งานลงไปแล้วพอเสร็จแล้วประมาณบ่ายสองอะคะ่ะ เขาก็บอกว่าเดี๋ยวประมาณสองโงยี่สิบจะมี after อีกรอบหนึ่งอะไรเนี้ยค่ะหลวงพ่อหนูก็เลยขึ้นมาที่ชั้นเก้าอีกรอบหนึ่งขึ้นมาก็นึกแค่ว่าถ้าถึงที่ตายก็ตายถ้าไม่ถึงก็ไม่ตายเนี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วก็เดินเดินขึ้นมาเพื่อที่จะมาเอาของเพราะว่าหนูเตรียมของไว้จะไปทําบุญนะค่ะหลวงพ่อเสร็จแล้วก็ ลงไปที่รถเอาของแล้วก็ขับรถของมาค่ะหลวงพ่อแต่ว่าคนอื่นเขายังยังไม่ขึ้นกันนะคะหลวงพ่อมันเต็มถนนไปหมดเลยอะคะ่ะหลวงพ่อก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ส่วนที่คอนโดมันมันลาวอะคะ่ะหลวงพ่อเรียกอะไรนะกำแพงแล้วก็น้ำจากจากห้องห้องตรงข้ามก็ไหลเข้ามาในในห้องละคะ่ะหลวงพ่อ ก็คือพวกป้าพวกอะไรมันก็แตกหนูก็เข้าไปดูเสร็จเก็บกว่าแต่ว่าไม่ได้นอนก็เลยย้ายมาที่เนียค่ะหลวงพ่อค่ะยังยไปทางานตามปกติอยู่นไปค่ะยังไปอยู่แต่ว่าคนก็จะน้อยลงไปอะค่ะหลวงพ่อแต่พอมาที่มันเกิดเหตุคราวนี้หลวงพ่อมันมันเห็นมันเห็นใจตัวเองแล้วมันก็เห็นหลายๆสิ่งว่ามันเหมือน ความตายมันแค่พลิก แ, แค่เที้ยวเดียวมันก็อยู่อยู่กับเราตลอดเวลาเนี้ยค่หลวงพ่ อ, พอมันเหมือนก็แบบเราไม่ไม่อยากได้อะไรไม่ไม่ควรจะเหมือนไม่อยากแข่งขันไม่อยากได้อะไรไม่มันเหมือนมองดูแล้วมันไม่มีประโยชน์นะค่ะหลวงพ่ อ, พอมันเอาไปไม่ได้ใช่ค่ะหลวงพ่ อ, พอช่วยเราไม่ได้ค่ะมีสิ่งหนึ่งที่ที่อยากทาก็คือ มีความรู้สึกว่าอยากทาแต่ความดีค่ะหลวงพ่อทาท ำ, ทำยังไงก็ได้ให้จิตใจเราสบายไม่หวงไม่ทุกข์อย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อค่ะแล้วหนูก็มาวันนั้นกลับมาก็ยังมานั่งปฏิบัติอยู่ค่ะหลวงพ่ อ, พอแล้วก็พิจารณาร่างกายเงี้ยค่ะหลวงพ่อพอพ อ, พอเราจิตมันสงบมันนิ่งมันจะเห็นถึงทุกสิ่งในร่างกายเราเนี่ยมัน มันไม่มีอะไรที่เที่ยงจริงๆแต่ตอนแรกอะเข้าใจที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะเห็นเห็นว่าเออมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์แต่พอมาเกิดเหตุการณ์เนี้ยมันมันเห็นเข้าไปข้างในจริงๆอะค่ะหงพ่อแล้วไม่มีเลยสักกระสินส่วนเดียวในร่างกายของเราที่ที่มันเที่ยงที่มันจะปกติไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะว่าเราบังคับไม่ได้สักส่วนเดียวอย่างเนี้ยค่ะอพอมันเห็น มันเห็นความจริงขึ้นมาเรื่อยๆในใจอย่างเงี้ค่ะหลวงพ่อแล้วก็จิตใจมันเหมือนแบบมันมันมันคลายที่เราไม่ควรจะไปยึดไปถืออะไรที่เราเราคิดว่ามันเป็นเราเป็นของเราแบบเนี้ยค่ะหลวงพ่อมันก็คลายลงไปเรื่อยๆเลยเอะค่ะไว้าวางนะไม่ใช่ขอาเราตัวเราข้าหลวงพ่อืมีมประมาณนี้โอเคข่าหลวงพ่อ วิธีดับทุกข์ก็ดับด้วยกันเห็นเห็นตายรักเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาค่ะยิ่งที่เห็นความจริงเข้าไปเรื่อยๆมันมันก็เหมือนใจมันเริ่มยอมรับเข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะอ่าเดี๋ยวขอบคุณหลวงพ่อค่ะอ่าค่ะคุณปุ้ยไปถึงรักเสมอเขาบอกแผ่นดินไว้เออครั้งนี้ไม่ถึงค่ะไ่ถ อาจารย์20กว่าปีที่แล้วยมโดนตอนที่ยมมาอยู่ใหม่ๆเมื่อ30ปีที่แล้วอ่ะยมโดน 6.6 ค่ะ mm hmm. ตอนนั้นจอไม่รู้จักตอนนั้นแบบเราก็ยังเด็กเลยเราก็ไม่รู้จักว่าเฮ้ยอะไรวะแผ่นดินไหวเออเราก็เราก็งงๆอยู่เพราะว่ามันมันมันมันมันหมุนนะมันหมุนจริงๆแบบไฟมันหมุนอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่มีอะไรมากเออแต่ แต่ที่โยมเช็คกับทางสวิตเซอร์แลนด์เขาจะมีศูนย์แผ่นดินไหวใช่ไหมคะเขาคอยจะบอกว่าแถวลักเซมเบิร์กแถวเบลเยียมนี่คือจะปลอดภัยแถวเนเธอแลนด์นี่จะปลอดภัยแต่ถ้าไอแถบชายฝั่งทะเลเนี่ยเขาบอกให้เฝ้าระวังในเก้าสิบวันเนี้ยกับฟิลิปปินส์กับเมืองไทยกับพมา่าเนี่ยมันยังอยู่อ่าแล้วก็ญี่ปุ่นแล้ว ก, แวก็แล้วก็ทางทางอเมริกาโยมเพิง่งเพิ่งอ่านข้อความเมื่อเช้านี้เองค่ะโยมก็สงานเหมือนกันเอ่า ที่เมืองไทยนี่โอ้โหโดนหนักมากเลยนะฮะโยมสงสารมากคะ่ะอ็ยังสู้พมา่พมาไม่ได้พม่านี่เขาเรุนแรงไปเยอะพะม่าพ้าเสียชีวิตเยอะเลยคะ่ะน่าสงสารเลยแล้วแบบว่าอืเห็นเห็นเห็นทางเมืองโยมเขาก็ไปช่วยอยู่เหมือนกันคะ่ะพรอเป็นสิทธิประชาชนแล้วโยมก็สงสารโยมก็โอ้ตายละบ้านเมืองแล้วเย เห็นก็ทางทางสวิตเซอร์แลนด์น่ะเขาก็เตือนเขาบอกว่ามันมันยังไม่สิ้นสุดมันมันเป็นอะอะอามที่เขาเ็าเตือนว่าในอีกเก้าสิบวันเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเอเราก็โอ้เออแต่ไม่มันไม่มันไม่มาทางเราก็ดีแล้วตอนนี้จะเดินทางหรือจะไปไหนนี่มันอันตรายจริงๆนะคะอาจารย์อยู่บ้านบออดภัยว่ะนายโยมโยมก็ถือศีลเหมือนเดิมอาจารย์ถือศีลเจ แล้วก็ถือศีลแปดแต่ว่าโยมอะไม่สบายโยมเป็นอะไรก็ไม่รู้ชอบปวดหัวแล้วโยมตื่นตีสองกว่าๆและโยมแบบนั่งสมาธิไปแล้วโยมก็มีอยู่ตามสี่วันแล้วโยมก็เพลิหลับไปอ่ะพระอาจารย์มันแบบว่ามันเป็นที่เวลาเปลี่ยนหรือว่าอะไรหรือว่าร่างกายเราเอเกิดจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าอะไรหรือว่าเราผูกผีหลอกก็ไม่ทราบนะฮะเพราะว่า โยมก็เลิกลัวผีมาตั้งหลายวันแล้วแต่โยมก็ไม่รู้โยมก็จิตโยมปรุงแต่งไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะไอ่โยมก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ทอโยมก็เพียรปฏิบัติเน่ยเช้าเย็นเช้ากลางวันเย็นค่ะแต่มามาช่วงสองสามวันโยมต้องออกไปทําอกสารโยมกลับเข้ามาโยมก็อย่างวันนี้โยมออกไปทำเอกสารโยมกลับเข้ามาโยมก่อนก่อนจะไปโยมก็นั่งสมาธิในนี้แบบ ยมทอบไปฟังเสียงพระอาจารย์อ่ะอย่างสมัย 65, ปี 66, หกห้าปีหกหกอย่างเงี้ยมันจะมีแบบมันมีอะไรที่แบบปกติยมฟังแล้วยมก็จะรู้สึกแบบว่าเข้าสมัาธิได้ง่ายๆแต่ทนี้เมือม่อเมื่อต่อวันก่อนเมื่อสองวันก่อนยมฟังแล้วแบบยมรู้สึกเค็มหลับไปเลยอ่ะพระอาจารย์มันแบบเราเราถูกผีหลอกหรือเปล่านะอย่างเงี้ยอไม่ว่าอะไรชคเสติ มันหลอกเรามันหายไปสติหายไปแต่ยมยมก็ไม่ได้คิดมากอะไรฮะอืมไม่เป็นไรทั้งมันจะมันผ่านไปแล้วอ่าโอเคโดน่ามาอะไมาถวายบุญค่ะว่านี่ถูกไว้เป่เสียละมาจากไม่ถูกนะไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวยมจะถูกโยรมีเลยกม อไอ่เล่ น, นสนุกจังวนเ่ยเล่นสนังวันนะแลอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอตาทิพย์กับพระอาจารย์แล้วเดี๋ยวได้แน่นอนอตั่งสมาธิไปเดี๋ยวก็เห็นเองอะการการเอ่อน้มถวายบุญกับพระอาจารย์เจ้าค่ะขอให้พระอาจารย์ทัดแต่งนะเจ้าค่ะจ้าสาธุจ้าอืบุญนนองน้องปยังไง อันนี้สามีและกูคลองตอนนี้ท่านเสกไม่ยังยังเดีย๋ยเปิดใหม่ก่อนค่ะพระอาจารย์ได้ยินได้ยินพระอาจารย์ได้ยินยังไม่สสกค่ะพระอาจารย์ท่านยัง อ, อยู่กราธค่ะหอมเมือหอมเดือนหรืท่านกะจะเยอะกะก็ความตั้งใจคือขั้นต่ําก็หกเดือนค่ะแต่ก็เรียนให้ท่านพิจารณาตามสบายเลยโ ย, ง ย, งยงไม่มีปัญหาอันนี้อยู่ที่วัดพระอ า, าจารย์สามดวงเหรอค่ะใช่ค่ะ ก็ก็ดีค่ะยงก็อิ่มเอิบใจทุกครั้งอาจาโมทนากับท่านทุกครั้งเพราะว่าจริงๆเรื่องขบฉันอย่างที่ยงเคยกล่าวเลียงท่านว่าตอนสมัยเป็นคาราวาเป็นเรื่องสำคัญมาก <c oughs> คือหมายว่าเรื่องกินเป็นเรื่องสําคัญมากพอไปใช้ <c oughs> วิถีชีวิตแบบนั้นคือก็ก็ปรับเยอะค่ะแต่ว่าก็ก็ผลผลผลค่อยได้คือสุขภาพดีพอดีเพิ่งเข้ามาตรวจสุขภาพอาจารย์หมอก็ แฮปปี้แฮปปี้ค่ะก็ก็ดียมก็สัญญงก็ถือศีลตามไปนราจะถือศีลไปด้วยกันเลยค่ะเพราะว่าพอท่านพอท่านไปเป็นพระโยมก็ถือศีลง่ายขึ้นเลยบัดได้วยขอใช้ผ้าเหลืองไปก่อนได้ค่ะพระอาจารย์ยมก็เกาะใช้ผ้าเหลืองไว้ค่ะก็ ว่าท่านท่านฉันมือเดียวยมก็ยมก็แบบนั้นแหละสิบแปดก่อนเที่ยงเหมือนท่านเลยเพราะว่าวลนโยมไปวัดท่านก็จะได้ไม่ต้องกังวลด้วยว่าเอเดี๋ยวโยมจะกินยังไงอยู่ยังไงก็ใช้วิธีเหมือนกันก็ง่ายสะดวกสะดวกทุกอย่างมีภาพอยู่เยอะไหมมีอยู่ห้ารูปค่ะห้ารูปดีสงบดีเลยเอา<ง>จารย์โยมก็ออืเห็นเห็นเลยว่าอุ้ยสงบมันกับทอไม่เยอะมาก ก็เลยมีความสงบมากอะค่ะอาจารย์สงบแล uniform, ้ว่างคนบางก็ปฏิบัติอะไรเงี้ยค่ะมีทำโคก็ก็ก็สงบดียมยัก็เห็นว่าเออเป็นข้อดีค่ะเราพาเยอะหนึ่งค่ะอืมดีค่ะท่านก็ท่านก็สงบท่านก็บอกเออได้ปฏิบัติอะไรเงี้ยทขโควัดปฏิบัตินะคะยมก็ไปไปทุกเสาร์อาทิตย์เลยนบางทีถ้าระหว่างสัปดาห์ไม่ยุ่งก็จะขึ้นไปอะค่ะอเพราะว่า ขึ้นไปเราก็ตกกลางคืนก็ไปนั่งปฏิบัติศาลาอย่างเงี้ยค่ะคือต่างคนต่างปฏิบัติอ่าแล้วก็มีเวลากพอเสร็จอะไรเสร็จก็ไปปฏิบัติของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้มีโอกาสไปสงบดีค่ะพี่ชันใช่ค่ะก็เลยก็เลยหาโอกาสอยางนี้ยากนะที่จะได้ใช่ค่ะพี่ชันยากค่ะก็ก็รู้สึกดีใครก็ถามว่าไม่กลัวท่านไม่ซื่อเปล่าบอก ไม่นะก็ถ้าท่านอยากจะหมดเราก็ยินดีเพราะเราก็เราก็ได้ทำในสิ่งที่เราเองก็เราก็แปฏิบัติอะหมายความว่ามันก็เป็นเส้นทางที่จรงิงๆเราควรจะเดินอยู่แล้วนะจรงิงๆแล้วการเกิดมาเป็นมนุษย์มันเป็นเส้นทางที่เราควรจะเดินนะจรงิงๆแล้วโดวยเฉพาะเวลาที่มาพบกัพบพระพุทธศาสนา ได้ก่ะพระาาย์วันนี้ยังคุยกับน้องๆในออฟฟิศเลยทุกคนบอกว่าจะรอไปเจอพระสีอานบอกทําไมต้องรอไปเจอพระสีอานล้วคิดว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์เลยนอนจะไปเจอพระสีอานตอนนั้นเนี่ยให้มาบอกวันนี้เราได้ฟังธรรมเจอพู้ศาสนาแล้วก็นั่นแหละสะสมไปทําไปตอนนั้นเราจะเกิดเป็นไก่ก็ได้นะฟังไม่ได้ฟังธรรมจากท่านนั้น ก, ก็ดีค่ะจริงๆพ อ, อ, อท่านไปบวชก็ มันเด็กๆในที่ทํางานก็มันมันก็ดึงขึ้นมาทุกคนก็สนใจอะไรเงี้ยมันพอหัวหน้านายไปบวชทุกคนก็เข้ามาสนใจอย่างมันก็ได้ทําทานเวลาท่านเข้ากรุงเทพก็มาตักป่าทํำอะไรเงี้ยกันค่ะก็ดีค่ะค่อยพัฒนากัานขึ้นมาอ่าช่วยกันไปช่วยกันดึงไปค่ะใช่ค่ะ <Okay. S 1> ก็ดีค่ะพระอาจารย์ก็เลยไม่ได้เข้าบางทีไปอยู่นั้นสัญญาณมันไม่ได้เลยพระอาจารย์ไม่เป็นไรแล้วที่นี่ สะดวกเมื่อไหรก็เข้าได้นี่มาดียกกรุงเทพก็เลยเข้ามากลับนะอะจ้อขอให้เจริญก้าหน้าลุงนึงในทางธรมต่อไปนะน้ำมศการขอบพระคุณการขอให้พระอาจารย์ทัดขนแข็งแรงนะคะสาธุน้ำเงินค่ะคุณสุภาพต่อัไงเื่อทุกก็เลยขบนมำมการพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่รู้จะเป็นทุกข์ทาไมนะ คิดเกียดทุกเจะเนื่อยเหนื่อยจะทุกข์เเกียดเลยเจ้าค่ะเพรกที่ได้ฟังแล้วพระอาจารย์สั่งสอนสอตีปฏิปลาดก็ให้ใทุกวันที่แผนไหวังแ้เจ้าค่ะลูกก็เลยได้คือเหมือนกับสติมันเวลาอะไรที่มันเหตุการณ์ขับขันเนี้ยเจ้าค่ะสติมันเกิดขึ้นมาแบบ ควบคุมของมันได้เองโดยที่แบบแบบฝึกมาดีไงซ้มมันเป็นอัตโนมัติเจ้าค่ ะ, ะกคือแบบว่าเราสา ม, มารถที่จะคือวันนี้อยู่กับเอ่ออยู่กับคุณคุณแม่ค่ะเจ้าค่ะกับพี่สาวพี่สาวก็ น, นึกว่าเขาไม่สบายเขาเปียกหัอลูก ร, ร, รูมม้ึก็อินตอร์ไลท์สุธริมัยเป็นอัตโนมัติ คือลราดิ้งของเราไปเลยเจ้าเขาอกที่สาวเปคนดินไหวนะเดี๋ยวเขาที่สาวทำให้เขาเขาใจเจ้าค่ะรู้กันเลยว่าเขาเงียบก็ค่ีคุณสุภตาเสียงอา ก, กาศหายหายอ่าถ้าพูดอย่างนี้นแต่ต้าพูดดังหน่อยเพราะว่า มาทุกทีเลยในสายสายเข้าต่วงที่ลูกําลังคุยอยู่าจารย์ที่เลยต้องหลายแปดก็ทำคุณแม่ออกจากบ้านนะแต่ว่าเราต้องค่อยๆบอกนะเดี๋ยวท่านตกใจเพราะท่านแปดสิบ้าแล้วเราไปกันก็คือต้อง ต, ตีเพราะเพราะการที่ลูกได้ฝึกจากอ า, านะจารย์นะเจ้าค่ะนั่ลยให้ลูกมีสติพอที่จะควบคุมสถานการณ์ที่ผพาพี่สามแม่ บอกอะไรกันเลยบอกอะไร่็มันใหญ่งคนณสวาตาขาดขาดหายหายฟงไม่เข้าใจได้ได้ความเท่าไหร่อ๋อเจ้าค่ะเจ้าไม่เป็นไรเจ้าค่ะไม่มีอะไรนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะไม่เป็นไรเจ้าค่ะเจ้าคำลูกศรจะไม่มีคำถาม ไปที่คุณมาริกานครอนาล า, า, าที่ว่ากราบนมัสกสารเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้มาความถามไม่มีคําถามก็ค่ะคไม่ใช่ไปที่คุณหมอจ้าไปที่หมอใหม่หมอใหม่ไม่ใหม่ใหม่ใช่ไหมหมอใหม่เจ้าค่ะกราบนมันสการหาอาจารย์ค่ะ ก็สัปดาห์ที่แล้วไม่ได้เข้าก็ไปวัดกับน้องเอิงค่ะพระอาจารย์ไปวัดไหนด้วยไปวัดเอ่อสำนักส่งวัดป่ากล้วยไม้ดินของหลวงพ่อเพชรค่ะอ่าอยู่ที่ไหนที่ปักช่องค่ะอ่าค่ะเงียบไหมเงียบไหมเงียบค่ะแล้วก็รู้สึกว่าสมาธิมันพอปฏิบัติมาเรื่อยๆแล้วเหมือนสมาธิมันเกิดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอะค่ะ ว่ามันแล้วสติมันไวขึ้นอ่ะมันเห็นอาการของจิตค่อนข้างเร็วอ่ะแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ได้สนิทกับความคิดเหมือนเมื่อก่อนนะคะมันบางทีมันเหมือนกับมันมีสมองมันคิดสุ่มๆขึ้นมาพอเห็นแล้วมันก็มันก็หายไปไงค่ะหรือบางครั้งความคิดนั้นมันมีอิทธิพลมันมันก็เหมือนกับว่ามันก็ดู มันก็เหมือนสติมันก็ดูจนจนความคิดนั้นมันจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยก็รู้สึกว่าเหมือนกับเออหนูรู้สึกว่าธรรมะมันมันเกินไปกับกับชีวิตอ่ะค่ะอยังไงยังไงก็ต้องนั่งสมาธิให้ได้ด้วยน ะ, ะแต่ว่านั่งสมาธิก็ไม่เคยไม่เคยทิ้งค่ะอืมจิตต้องสงบ ถึงจะมีกำลังที่จะพิจารณาตายรักได้ค่ะแต่บางทีหนูรู้สึกว่าถ้าคือข้อแตกต่างเวลาที่จิตมันสงบเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเวลาทำงานแล้วมันมีอะไรมากระทบมันสิ่งกระทบมันเข้าไม่ถึงจิตเลยค่ะมันจิตไม่รับจิตทรบแต่ว่ารู้ไปค่ะค่ะแล้วก็พวกนินดๆต่างๆมันแทบไม่มีเลยค่ะ ถ้าเมื่อกลบมดเยอะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีออถ้ามีสตินีม่มันก็จะไม่เกิดถ้าเพล่สติเมื่อไหร่มันก็จะเกิดขึ้นมาได้ค่ะถ้ามันเกิดก็ใช้ปัญญาว่ามันพิจารณาเป็นายรักไปนะค่ะแล้วก็ค่ะหนูหนูรู้สึกว่าพอพอมันมีสมาธิในชีวิตประจำวันอ่ะบางทีมันเหมือนกับ คืหนูเข้าใจไปเองว่าเพราะว่ามันมีสมาธิมันเลยไม่รู้ว่ากิเลสมันเหลืออะไรบ้างทีนี้มันจะไปรู้ตอนที่ฝันตอนที่นอนอะค่ะนอนแล้วมันจะฝันแบบทีแบบฝันว่าอยากกินนั่นอยากกินนี่อะไรเงี้ยมันมันเหลืออยู่อ่ะค่ะแต่ละมันยังกิเลสยังไม่หมดค่ะก็พยายามตัดไปเรื่อยๆการการมคลห้ารูปเสียงกลิ่นรสผลท่าพ้ค่ะอืม ก็หน <ítulo> yeah. yeah. mm ูก hmm. uh ็จะเพียงต่อไปค่ะอาจารย์อ huh. uh ่าดีสาธุนะกราบนมัสการอาจารย์ค่ะอ่าคุณอาจต่อเป็ไงอยู่ที่ไหนอยู่ตอนที่เกิดแผ่นดินไว้ค่ะอยู่ที่บ้านค่ะอาจารย์บ้านบ้านเดียวนะบ้านเดียวเสอะคุด ตอนตอนเกิดก็อยู่ตรงนี้ละคะ่ะอยู่ในห้องนี้แต่ว่าความต่างก็คือไม่ได้อยู่กับมือถือไม่ได้อยู่กับอินเทอร์เน็ตค่ะเลยไม่ได้อยู่กับตัวเองแล้วเห็นว่าตัวโยกแล้วก็จบไปแค่นั้นค่ะพระอาจารย์จนมาตอนที่จับมอือถือถึงรู้ว่าแผ่นดินไหวค่ะเกิดขึ้นแป๊บเดียวใช่ไหมใช่ค่ะแปบ๊บเดียว แล้วก็เหตุการณ์นี้ก็เลยรู้ว่าแบบจริ ง, รงๆเอิงรู้สึกว่าห่วงของเอิงแบบไม่มีใครให้รู้สึกว่าต้องต้องต้องแบบไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นนอกจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะอตอนนี้แล้วก็วันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรจะมาส่งกันบ้านค่ะก็ยังปฏิบัติอยู่เรื่อยๆเดินจงกรมแต่ว่านั่งสมาธิก็ ยังนั่งไม่ได้เยอะค่ะพระอาจารย์แล้วกออ็สิ่งที่อยากบอกกับพระอาจารย์หลังจากที่ปฏิบัติมาแล้วก็เจอเหตุการณ์ที่มากระทบอะค่ะคือบางครั้งอะค่ะเอองก็รู้สึกว่าเอองมีพระอาจารย์เป็นแบบอย่างว่าเวลาเกิดอะไรมีคำถามอะไรพระอาจารย์จะตอบแบบนี้ซึ่งบางอย่างอะค่ะเอองก็รู้สึกว่ามันส่วนกับสังคมมากๆ แต่ว่าเอิงก็มีพระอาจารย์เป็นระลึกถึงเอิงไม่รู้ว่าเรียกว่าสังขารสติหรือเปล่าค่ะแต่พอเอิงนึกถึงพระอาจารย์สุชาติอะค่ะก็รู้ว่าถ้าเป็นพระอาจารย์สุชาติพระอาจารย์สุชาติก็จะเลือกทําแบบนี้นีเอิงก็ถึงแม้ว่าการการทําที่เอิงทําไปมันจะสวนทางกับลูกแต่เอิงก็รู้สึกว่าเอิงมีพระอาจารย์เป็นแบบอย่างอยู่ในใจค่ะก็เลเอาไปใช้เกิดประโยชน์ดับความทุกข์ให้ได้กันแล้วกัน ค่ะพอาจารย์วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะโอเคสาทุปฏิบัติต่อไปนะค่ะพระอาจารย์ไปที่คน้ังว่าอะไร้ัรงว่าอะไรกับนมัตการตัวค่ะขอประทานโทษจ้าค่ะเมื่อวันอ่อศุกร์ที่2ี่สิบแปดค่ะเป็นวันเกิดแล้วก็ได้รู้สึกว่ามันก็เย็นนะคะ ถึงแม้ว่าจะทราบข่าวอะค่ะแต่ว่ามันก็มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะนั้นก็เลยไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้มีกันบ้านอะไรเยอะค่ะถ้าถ้าอยู่ที่กรุงเทพมันอาจจะเป็นอีกสถานการณ์หนึ่งค่ะก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็พยายามที่จะใช้สติแล้วก็สมาธิให้เยอะๆค่ะอืมดีค่ะโอเคไม่มีอะไรนะต่อค่ะขอบคุณจ้าค่ะอ่คุณจ้าวิทยา อย่ตอนแรองไม่ได้สัมผัสกับบรรยากาศที่กรุงเทพนะใช่ค่ะก็ตอนที่เกิดขึ้นมันน่าจะประมาณช่วงเที่ยงคืนกว่าของหนูอะค่ะก็ห<ม>ลับไ<ม>ปแล้วก็ตาแล้วก็ตื่นมาอีกทีก็คือเห็นมาเซทที่บ้านแล้วก็เห็นมาเซทเพื่อนที่นี่บอกว่าที่บ้านที่ไทยเป็นไงบ้างถันนินเขาไหวกันเมื่อวานนะ่ะไอ้เมื่อคืนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมไม่รู้เรื่องเลยค่ะแกวพี่สาวคุยกับพี่สาวพี่สาวก็บอกว่า อ่ที่โรงพยาบาลก็วุ่นวายขนย้ายคนไข้กันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ส่งอรูปแบบเหมือนทางเดินเชื่อมมันมีการแตกนิดหน่อยค่ะคือแบบเหมือนพื้นพื้นแตกอะไรประมาณเนี้ยค่ะและ้วก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรก็เพื่อนก็ทุกคเหมือน ถ, ถ้าที่ฟังดูก็คือเจอปัญหาเดียวกันนะคะคอนโดอะไรต่ออะไรพื้นบ้านพังอะไรประมาณอย่างเนี้ยค่ะอืมก็แพงแล้วใช่ค่ะ ได้เข้าของก็ชำรุดนิดหน่อยแต่ว่าเท่าที่ดูตามข่าวมันคนอื่นที่ที่หนูไม่ได้แบบสนิทอะไรเหตุเกิดรุนแรงกว่าเยอะค่ะเห็นแบบมีท่อน้ำแตกมีแบบผนังอะไรกันเต็มไปหมดเลยฟังดูแล้วอื อ, อืมบางแห่งอ่ได้ค่ะมีอะไรไหมกันี้ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ช่วงนี้ก็ มีความว้าวุ่นใจนิดหน่อยเรื่องงานค่ะพอดีว่าก็ความอยากอะค่ะพาอาจารย์ตั้งเตาไว้แล้วก็ไม่ได้เห็นตามเป้าที่ตั้งก็กรู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างค่ะแต่ว่า<ม>หนูก็พยายามสงบสงบสติเอามานั่งพิจารณาว่าก็ ทำก็เลือกแล้วว่าจะมาทางนี้แทนที่จะไปทางแทนที่จะไปทางทำก็หาเรื่องใส่ตัวเองก็ทําไปเท่าที่ทําได้ค่ะแต่ก็รวมๆก็โอเคค่ะจะมีจะมีสติหลุดบ้างวันสองวันแล้วก็สักพักก็จะกลับมานิ่งได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกใจขนาดหนักแต่ว่าก็ยังมีอยู่ค่ะก็ยังรู้สึกได้ว่าเป็นการบ้านที่ยังสอบไม่ผ่านอืมค่ะอันดับสง เราไปฝึกสติให้มากามนั่งสมาธิให้บ่อย่ปัญญาอย่างเดียวยังไม่มนมันไม่มีกำลังพอถ้าไม่มีสติสมาธิช่วยสนับส น, นุนค่ะนนี้หนูก็รู้สึกเหว่าปัญญาปัญญาจะมาได้ก็คือกว่าสติต้องเราต้องมีสติที่จะหยุดแบบวุ่นว้วาวุ่นใจก่อนแล้วถึงได้มาพิจารณาแล้วพอพิจารณาปับ๊บมันก็หมดแต่แค่เรื่องนั้นๆที่พิจารณาค่ะ เสร็จปั๊บวันรุ่งขึ้นมันก็มีปัญหาใหม่หมาอีกวุ่นไปเรื่อยเลยค่ะพระอาจารย์โลกนี้นสนานเหลือเกินโอเคไม่มีะมมอะไรนะไม่มีค่ะพร ะ, าพระอาจารย์การพระพุทาไปทีคุณลาต่อคุณลาไม่มีคำถามกราบนามัสการค่ะพระอาจารย์มีคำถามจากทางเฟ e บุ o กและยูทูปพระอาจารย์สุชาติทั้งหมดห้าคำถามเจ้าค่ะ คำถามแรกจากคุณเคทีกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์ถ้าเราตายไปแล้วเราสามารถบรรลุธรรมในสวรรค์หรือชั้นพรหมได้ไหมคะออถ้ามีพระพุทธเจ้าหรือมีพระมาแสดงธรรมก็อาจจะมีโอกาสบรรลุธรรมได้แต่ถ้าเราไม่มีใครสอนก็คงจะยาก พราว่าเราก็จะอยู่แบบสุขสบายกันในสวรรค์ก็เลยไม่มีอะไรมากระตุ้นให้เราไปทําความเพลินงันเหมันกับเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยเวลาไปเที่ยวมันก็ไม่มีกระจิ๊กระจายเลยไนั่งสมาธิไปปฏิบัติธรรมเนาะแต่ท่านไปเจอพระอรหันต์เจอพระพุทธเจ้าท่านอาจจะทักอาจจะบอกว่าอย่าหลงไหลกับการเพลิดเพลนสิ่งอันนี้เลยนะมันเป็นของชั่วคราวมันอาจจะกระตุ้นให้เรา ทำความเพ่งขึ้นมา ก, ก็ได้แต่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นผ้ามานแะสดงทำนี่โอกาสที่จะไปปฏิบัติเองนี่มันต้องเป็นพระโสดาวันขึ้นไปแล้วเท่านั้นมันถึงจะปฏิบัติเองได้ต่อไปคำถามต่อไปกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์วันนี้หนูพึ่งกลับจากต่างประเทศ ตอนมาก็เผื่อใจไว้แล้วเรื่องคอนโดมูลค่าสิบล้านที่อาจจะเสียหายจากแผ่นดินไหวแต่พอมาถึงจริงสภาพห้องแย่กว่าที่หนูคิดไว้เป็นสิบเท่าประตูท่อห้องแทบเปิดเข้าไม่ได้ผนังทุกด้านแตกร้าวกระเบื้องห้องหลุดแตกเสียหายมากสภาพจิตใจหนูแย่มีความกลัวที่จะอยู่กลัวตึกถลม่มหนูจิตตกรู้สึกว่าคอนโดยังแกว่งอยู่ ทุกค่ะขอพระอาจารย์ช่วยเมตตาให้คําแนะนําหนูด้วยค่ะกราบขอบพระคุณค่ะก็ถ้ามันไม่ปลอดภัยเข้าไปเช่าโรงแรมที่ไหนอยู่ก่อนก็ได้แต่มันเป็นเรื่องจําเป็นนะถ้ามันไม่มั่นคงมันไม่อะไรก็อย่าไปเสี่ยงส่วนอ น, นี่เรื่องของละส่นี้เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยอ่าแต่สนใจเราเราก็ต้องทาใจออยู่ที่ไหนก็ได้ ถ้าอยู่ตรงนี้ไม่ได้ก็ไปอยู่อีกที่หนึ่งไปก่อนส่วนบ้านเราคนดูเรามันจะเป็นอะไรก็กต้องถือว่ามันเป็นตายรักไปเป็นอนิจจังทุกครังอนัตตาไปคุณถามต่อไปกราบนมัสการพระอาจารย์ครับเวลาทำสมาธิถ้าครั้งไหนทำสมาธิแล้วจิตสงบ เราควรใช้จำวิธีนั้นแล้วครั้งหน้าใช้วิธีนั้นมาทำต่อแบบนี้ถูกต้องไหมครับก็ถูกต้องอนะ่ะถ้าเราต้องจำเหตุอย่าไปจำผลเหตุที่ทำให้ใจสงบเป็นยังไงอย่าไปจำความสงบที่เป็นผลแล้วอยากแล้วอยากจะให้มันสงบองีกอย่นี้มันจะไม่สงบเอแต่จำเหตุว่าเราทำอย่างนี้เราเป็สติอย่างนี้นั่งไปแล้วจิตก็สงบลงนเราก็จำลงที่เหตุ วันนี้คุณจิ๊กับคุณสลินธรไม่สามารถเข้าสูมได้ค่ะแต่กราบพระอาจารย์ที่ด้านนอกวันนี้งานยุ่งทั้งคู่ค่ะแต่ ม, มีฝากคําถามมาสองคำถามค่ะคําถามแรกเราจะเตรียมตัวทุกวันอย่างไรเมื่อมีภัยมาถึงจะให้มีสติตลอดค่ะก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนอะไรก็จะเกิดขึ้นได้เสมอเลยจะคิดว่า ชีวิตเรานี้ก็อยู่ที่เราหายใจเข้าออกนี่แหละหายใจเข้า้วไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายนห้เราทำ เ, เล็อกอยู่างนี้ไปเรื่อยๆพระเจ้าสอนพระอนุนนล่เราก็จะไม่ประมาทเราได้เต็มตัวตายกันว่าต้องตายแน่แนะ่คถามสุดท้ายเราวางใจไม่ให้กลัวกับสถานการณ์ในอนาคต ที่มีคนพยากรณ์ว่าจะเร็วร้ายได้อย่างไรคะกราบขอบพระคุณค่ะคืออะไรจะเร็วร้ายไม่เร็วร้ายความจริงก็คือเราก็ต้องตายอยู่ดีอคิดอย่างนี้แล้วมันจะเร็วร้ายไม่เร็วร้ายก็ไม่ไม่สําคัญเพราะไ อ, ไอ้สิ่งที่แน่นอนคือเราต้องแก่เจ็บตายอยู่ดีัะนั้นเตรียมตัวมาเตรียมตัวแก่เตรียมตัวเจ็บเตรียมตัวตา ย, ยา ก, ากันไว้ก็แล้วกันแล้วเหตุการณ์ต่างๆมันจะดีหรือไม่ดีก็ไม่เป็นเป็นปัญหาอะไรกับเรา ถ้าเราพร้อมที่จะแก่พร้อมที่จะเจ็บพร้อมที่จะตายแล้วเราก็จะอยู่กับทุกสภาพได้หมดแล้วเลย ค, คุณหมอสุท ธ, ธัตถเนยเพิ่งเข้ามามีอะไรไหมไม่มีเจ้าขาท่านพระอาจารย์อันนี้คนไม่ค่อยมากหมดเวลาหมดหมดคนพูดแล้วก็เลยคิดว่าจะได้เงเร่งเร็วหน่อย ก็ขออนุญาตนะว่ามันไม่มีใครจะพูดอะไรแล้วก็ขอจบการสัมนาธรรมสำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเดิด